วเสดวิธีหน้าแล้วเจ็สิบเจ็ดในข้อที่ห้าสิบหากว่าพิสูจเมื่ออยู่ในกองทัพตลอดสองสามคือพึงไปสู่สนามรบก็ดีสู่ที่จัดกระบวนคนรบก็ดีสู่ที่พักกองทัพก็ดีสู่ที่ตรวจคนก็ดีต้องอาบัดตางจิตเองนะครับ <c oughs> นี่นะเวลาให้อยู่ในกองทัพก็อยู่เฉยๆเนะียอยู่ในข่าแหละไม่ต้องไปดูข้าสู้รบกันนะครับ เพราะว่าที่ตั้งข้าวทีหนึ่งสนามรบก็เปอีกที่เลย่งใช่ไหมอีกที่หนึ่งที่จะกระบวนทัพทีหนึ่งก็ไปดูไม่ได้เท่านั้นนะครับถ้าไปดูก็ต้องแบกปางสี่นะครับชื่อว่าข้าสวนสนามจัดกระบวนทํานะก็อยู่ในพวกนี้นะครับสิ่งที่จะกระบวนพนลรบก็ดีเนี่ยนะจะกระบวนทํานะครับตรง น, นี้นะซึ้งมันดูน่าข้องใจ ครั้ที่ใบเอาดูต้นมะอย่างกันครับต้นมะอย่างนี้ก็ดมาพ่อเฉลิมีโดยสมัยนั้นเมืาาา่าพระพุทธเจ้ากระทับอยู่นปำพระเจดตวันอารมณของนาถบิดากข้ามบระเทศพระนครสามวัครั้งนั้นหลวงพ่ลิีกําลังอยู่ในกองทัพสองสามคืนไปสู่สนามรบบ้างไปสู่ที่พักคลบ้างไปสู่ที่จัดกระบวนทัพ บ, บ้างไปดูกองทัพที่จัดเป็นขบวนแล้วบ้าง ก็จะ่าทีลูกหนึ่งไปสุดสนามรบและถูกยิงด้วยลูกปืนลูกปื น, น, ะะปนสมัยก่อนเป็นยังไงหรือเป็นลูกศรลูกธนูลูกธนูประใจนี้นะมันจะมีข้าวจะเป็นธนูนี่หรือธนูนี้เขาใช้ยิงเงี้ยข้าจะได้ลูปืนนะเขไม่ใช่เสียอะไรหน้าไม้เฉยใช่ไหมเคาเาม่เด็ดธนูใช่ไหมเอาเขาไน้าไมา้ น<ม>่อก<ๆ>่อนนี้มีปืนโกัยังอ๋อใช่ปืนอย่างนั้นนะมันมีตั้งนานใช่ไหมครับการปืนป น, นี่นะอืมครับคาจะมีตั้งไหนแล้วนะปืนีครับอ <ๆ S 1> ัน <ๆ S 1> นี้เนื้อถูกยิงนะแต่ว่าไม่ตายนะครับคนั้งหลายจึงรแล้เธอว่าพระคุณเจ้าได้รับเก่งมาแล้วกับมันพระคุณเจ้าได้คะแน <ๆ S 1> เท่าไหร่เขารอเหรียญนะเธอสูเข้าล้อได้เกิดเกแล้วเจ็บตัวน้อ ชาวบ้านจึงเพงเ่งเทอดิเตมพุฒนาว่าฉไน้นก็สามารถเชื้อสายพุะธปรยบุตรจึงได้ ม, มาถึงสนารถเพื่อจะดูเขาเล่าที่แช่ละพวกเราแม้พวกเราที่มาสนามรถเพราะแห่นอาชีพเพราะแห่งเหงาบุตรภรรยาก็ได้มีดีนะเพื่อนหลายทูนมากน้อยถึงโดยจักเพงเ่งเทอดิเตมพัฒนาแล้วก็กราบหลวงพระเจ้าทรงซาตุนองทรงสอบถามทรงตีนพระเจ้าพัทีแล้วก็มีสถาปุนี้ขึ้นมา นี่จากธิบายนะคําว่าสนามรบก็คือสนามรบเละสถานที่เข้ารบพุ่งกันนะครับยังปรากตดอยู่นะกําลังต่อสู้กันเลยนะครับ <S <S ท่านก็อยากจะดูก็เลยเข้าไปดูว่าโอ้ยเลยค่ันตรายนะเนี่ยยาจะดูแล้วาสู้รบ้วนไปเห็นสนามรบเลยเนะ <S <S าะโดนลูกหลงมากอันนี้ที่พั้งค น, นครับ ก็ได้แก่สถานที่พักกองช้างามีประมาณเท่านี้กองไม้มาเท่านี้กองรถมาประมาณเท่านี้กองคนเดินท้ายมาเท่านี้ที่จัดขบวนทัพนะครับได้แก่สถานที่เข้าจับว่ากองช้างจะอยู่ทางนี้กองม้าจะอยู่ทางนี้กองถอยู่ทางนี้กองคนเดินท้ายอยู่ทางนี้ครับกองเข้าวิจัดเป็นขบวนแล้วเชื่อว่ากองทัพนะครับทัพช้างทัพม้าทัพรถทัพคนเดินท้ายนะ อันนี้มาดูนะครับข้อที่มาในการขานนะข้อที่สิบอธิบายวิโยทิกาสิขาหมดนะครับวิโยทิกาแปลว่าอะไรแปลว่าสนามรบนะบสนามรบนะเอาเพื่อสร้สางดิฉันอุทิศที่สิบ่อไปที่ชื่อว่าสนามรบสมรลำภูเพราะเป็นสถานที่ทหารยกทัพไปรบกั น, นต่อสู้กันะ คำ ว, ว่าอุโยทิกานั้นเป็นชื่อของสถานที่รบกันนะอุโยทิการอะยรที่ที่โยทาไปสู้รบกันทหารไปสู้รบกันนะครับชื่อว่าที่พักพลพักสถานที่รู้จักกําลังพลนะครับก็พักกองทัพแต่ละกองแต่ล ก, ก อ, กอไว้นะคําว่าพระลักษ า, า น, นั้นเป็นชื่อของสถานที่ตรวจผลรพระกำลังใช่ไหม น, นี้นะครับ แล้วก็คณะ อ, นอนันไหนคังอันไหนฆ่ามันจะคณะทรัพย์สยามในกานันบการจัดขบวนเท่าชื่อว่าเสนานพระยุหานคานั้นเป็นชื่อของอาจารย์การจัดขบวนเท่านะครับเนี่ยเวลาเขาเดินสวนสนามนะเขาจะจัด ก, กองท่าเป็นแต่ละเท่าแต่ละเท่าแต่ละเท่าใช่ไหมผมก็ไม่เคยดูความขาดต้องถานตีดาเนี่ยจะรู้ดีเขาบอกปีหนึ่งเขาจะสวนกันทีเดียวใช่ไหมนะครับ ฝึกกันไม่รู้ว่ากี่เดือนนะฝึกสวนสนามอะไรไม่รู้กี่หมู่เหล่าเพื่อนะครับ mm hmm. เพื่อเห็นศักยภาพของแต่ละประเทศนะมันสามารถเอาต่อรองทางเศรษฐกิจได้แค่บอก น, นี้นะครับ mm hmm. ค, วความแข่งขันของทหารแต่ละประเทศนะสามารถต่อรองกันด้างเศรษฐกิจข้อ mm hmm. ต้องแบบฝึกกันแบบเปี้ยอะไรนะเวลาเดินต้องไม่มีผิดพลาดต้อไม่มีอะไรเลยนะครับฝึกกันหน้าดูเลยปีล mm hmm. ะแค่ครั้งเดียว จะฝึกกันหลายเดือนเลงกองทัพนะครับชื่อว่าอณนนีกาทัศนะกองทัพช้าอย่างต่ำสุดจะต้องมีช้าสามเชือกโอ้เนี่ยนะ<ม>ดูลดักษณะนี้คือแฉกหนึ่งเชือกมีทหารประจำสิบสองคนม้าหนึ่งตัวมีทหารประจำสามคนรถหนึ่งคันมีทหารประจำสี่คนนะครับแม้ในกองทัพม้าและกองทัพรถก็มีในเหมือนกัน ส่วนทหารสือาวุธสีน่าจัดเป็นกองคนร่างอย่างต่ำสุดนะอย่างต่ำสุดสีหน้าเนี่ยบรรดากองทัพหล่านี้คนก็ไม่พูดถึงกองทัพนะคือเป็นบรรดาแต่ละอย่างนะไม่ใชกองเท่านี้นะครับคือที่ว่าอะไรนะสนามรบนะที่พังพลที่ตรวจพลและก็กองทัพนะสี่อย่างนี้นะครับเมื่อบิสุเดินไปเพื่อจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ลองครบทั้งสี่หลอกนะดูแค่อย่างใด ต้องบบผู้กดทุกทุกกานะครับเย็นดูยินทัศนุปจาระไปสฐานที่มองเห็นใช่ไหยต้องบันทาจิตตีแต่ถ้าวิสูเล่าปจาระแล้วก็หันกลับไปดูบ่อยๆนะครับอันนี้ต้องบันทายทีละทุกครั้งที่หันกลับไปคำที่เหลือพึงทราบดูนายดังก่าแล้วในวิยุตตาสิขาบทนั่นแหลถ้าดูกองเข้าเนี่ย แต่ละกองแต่ละกองก็จะเป็นนานบัดเบาลงพรทุกขกดดูแค่อนนกองใดกองหนึ่งเนี่ยนะไม่ครบสีน้ำมือสีนะครับแต่ดูเมื่อไหกี้นะนะดูสนารบที่พัคคนที่จัดกระบวนท่ากองท่าเนี่ยไอสี่อย่างนี่นะดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันบัดปันดีนะครับเหมือนกันแต่ถ้าเราเอากองท่าเปนข้อสุดท้า ย, ายาที่ไม่แยกออกองท่ามีองค์สีแต่ถ้ากองท่าไม่ครบองค์สี่ก็จะเป็นอันทุกข์กดอันบัดเบาลง ก็ความั <vine gary> no. ่งก right, ันแห่อาบังเลสิถาบนี้ไม่มีเลยก็บอกหมกบข้อนั่นแหละนะจบการที่วอยู่ที่กาสิขาบทอาจารย์เล่าบที่ห้าจบครับครับล่าประจาร้าคือแค่ว่าแกหันกลับมาคือไม่มองนวนะก็เดินกลับมา่ไหครับมันก็ไม่เห็นแล้วใช่ไม อ๋อครับหันพลกลับไปดูอีกนะครับอเออเห็นนะเห็น น, ะ, น, นะครับคือแกอยู่ในที่นั้นแหละนั่นเป็นเลยว่าแกจะหันกลับมาแล้วไม่ดูแลอย่างนี้นะครับพอหันกลัะไปดูอีกเนี่ยก็จะต้องอามครับไม่มไม่จะเปลนด้วยต้องเป็นของในหลป่าอ๋อมันจําเป็นมันจะเป็นครับท่าพูดถึงว่าบางทีเนี่ยกองคือว่าถ้าเป็นกองที่ขึ้นขบวนใช่ไหมขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยไปขึ้นไปแล้มวมีต้นมาให้บงังเรา เราก็เลยไม่เห็นช่วงนั้นใช่ไหมแล้วกองท้าก็โผล่ใหม่ก็เห็นขึ้นมาอีกครับแล้วก็มองใหม่นี่นะก็ต้ออาบัตรนะครับหรือว่ากองทําไปที่เน้อมั่งที่เล่าบั่งบังใช่ไหมแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เห็นอีกนี้ครับนี่นก็ต้องอาบัตรนะหรือว่าแกเหลียวกลับมาไม่ดูแล้วนะแต่อยากจะดูหันกลับไปดูอีกเลยครับนี่ก็ต้องอาบัตรอะไรกองทัพมีอะไรบัตร เมื่าพูดถึงกองถ้ำถุกอะไรบังไว้หรือว่าลงสู่ที่ลูกมองไม่เห็นพิสูจอยู่ในที่นั้นแล้วไม่อามองเห็นผ้อยนั้นเมื่อไิสูปเป็ัสถาที่ดูเป็นปานสิริทุกประโยชน์ก็กจบแค่นี้นะครับอาจฉริยะว่าจบวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับในท้ายที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามในคำวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงแต่ทุกเมื่อด้วยการทุกท่านเถิด I'm s o y